บุ๊กทูห้าสความรู้สึกปจจิมีความรู้สึกต้องการอยากมีถูกเรามีความรู้สึกเราต้องการเราอยาก เราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากามกลัวมีคมกลัวผมกลัวมีควกลัวผมไม่กลัว ม, มีเวลา มีทชัสเขามีเวลามาชัสเขาไม่มีเวลานีมาชัสเบื่อนูิเซเธอเบื่อนูดิเซเธอไม่เบื่อนันูจิเซ หิวมีแตหลัดคุณหิวไหมมามีแตหลัดคุณไม่หิวหรือวินามีแต่หเบ็หลัดกระหายน้ำมีดจีเซงพวกเขากระหายน้ำไม่จีเซง พวกเขาไม่กระหายนา้ำ